เรื่องอุปชาหลีกไปข้อ77สมัยนั้นเมื่ออุปชาหลีกไปบ้างสึกเสียบ้างมรณภาพบ้างไปเข้ารีดเดยร์ธีบ้างภิกษุทั้งหลายไม่มีอาจารย์ไม่มีผู้คอยตักเตือนพร่ำสอนจึงนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีมารยาทไม่สมควรเที่ยวบินทบาตเมื่อคนทั้งหลายกำลังบริโภคก็ยื่นบาทสำหรับเที่ยวบินธบาตเข้าไปบนของบริโภคบ้างบนของเคี้ยวบ้างบนของริมบ้าง บนน้ำดื่มบ้างออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างด้วยตนเองมาฉันส่งเสียงดังในโรงฉันบ้างคนทั้งหลายพากันตำหนิประนามโผนทนาว่าฉนัยสำน้าชเชื่อสายศักยะบุตรทั้งหลายจึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีมารยาทไม่สมควรเที่ยวบินธบาตเมื่อคนทั้งหลายกำลังบริโภคก็ยื่นบาตรสำหรับเที่ยวบิธบาตเข้าไปบนของบริโภคบ้าง บนของเคี้ยวบ้างบนของลิ้มบ้างบนน้หดือบ้างออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างด้วยตนเองมาฉันส่งเสียงดังในโรงฉันบ้างเหมือนพวกพราหมณ์ในสถานที่เลี้ยงพรามณ์ฉนั้นเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตาหนิประนามโพลธนาอยู่บรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉนัภิกษุทั้งหลายจึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมารยาทไม่สมควรส่งเสียงดังในโรงฉันบ้างเล่าจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีมารยาทไม่สมควรส่งเสียงดังในโรงฉันบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า